เอกสารมีครบทุกคนกค น, นะเนา ะ, ะเดี๋ยวเอาเอกสารที่ได้แจกวันนี้ลองอ่านกันอีกรอบเนาะอ่านบรารมีเพราะว่าในพุทธกาลกรธรรสามสิบสิบทานนะบรารมีเป็นต้นเดียวว่าพร้อมกันเลยนะพุทธกาลกระทรสิบหนึ่ง ฐานะปารมีเต็มด้วยน้ำเมื่อวางคว่าลงน้ำย่ำไหลออกหมดไม่ขังติด ใจในการที่อ่านสาธยายตรงนี้ก็คือต้องการให้เราได้ได้ทราบหรือจดจาในข้ออุปมาในธานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดได้เห็นเส้นทางการเดินทางของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากว่าที่พระบรมศาสดาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นทรงอาศัยเหตุอาศัยกาลังค่อนข้างเยอะ ทีนี้การศึกษาคาสอนโดยเฉพาะศึกษาคำพีสัมปราวิบากหรือศึกษาในเชิงของพุทธคุณทั้งหลายเราท่านทั้งหลายถ้าศึกษาคำสอนตรงนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าเหมือนเป็นเรื่องการศึกษาที่ที่จะไม่ค่อยยากแต่ที่จริงแล้วพุทธคุณเป็นเรื่องยากถามทำไมว่าพุทธคุณจึงเป็นเรื่องยากเพราะคนที่คิดพุทธคุณได้อย่างกว้างขวางคือคนที่มีปัญญามาก แล้วถ้าหากว่าใครคิดพุทธคุณไม่ได้หรือน้อมถึงพุทธคุณแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยท่านผู้นั้นไปศึกษาอะไรก็จกไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการศึกษาในเรื่องของคุณของพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆที่บอกไว้ตลอดเวลาว่าบุคคลที่ปรารถนาบรรลุธรรมล้วนแต่เขาเจริญพุทธคุณกันได้ก่อนไม่ใช่ว่าเจริญพุทธคุณไม่ได้แต่จะไปบรรลุธรรมอันนั้นไม่ใช่ฐานนะ ฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจนะว่าพุทธคุณกาวคือคุณของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นในชั้นของคำพีสารถาสมุจยะเนี่ยนะท่านอธิบายลำดับของเหตุผลท่านบอกว่าบุรุษผู้มีปัญญามากมีความเพียรมากมีความรักมากมีความปรารถนาเนี่ยในการที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแพ่พระราชาอำนาจครอบครองโลกได้นั้นต้องอาศัยเหตุสี่ประการ เหตุสประการก็คือในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ข่านกล่าวไว้ในเรื่องของกําลังของฉันทะก็คือความรักในราชสมบัติประการที่2ก็คือกําลังของวิริยะเพียนขวัญขวายในการที่จะได้ราชสมบัติประการที่3คือจิตตะต้องมีจิตปันหนึ่งเดียวในอันที่จะได้ราชสมบัตินั้นมุ่งมั่นประการที่4กําลังของวิมังสาคือมีปัญญาในการพิจารณาเหตุผลในกิจการทั้งปวงเป็นเหตุให้ได้ราชสมบัติ เมื่อกำลังทั้งสีประการนี้บริบูรณ์แล้วจะใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาทรัพย์สมบัติไว้ให้มากเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมากแล้วก็นำมาส่งข้อดูแลเหล่าทหารจัดแบ่งทหารออกเป็นสิบหมู่อย่าให้ปนกันเช่นคนกล้าปนกับคนขาดคนขาดปนกับคนกล้าให้เป็นปัจัยอุดหนุนแก่กันและกันก็หมายความว่าจากนั้นก็ยกกองทัพที่พร้อมรบไปสู่ยุทธภูมิ เข้าตีข้าสึกได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ราชาพิเศษสเสวยสิริราชสมบัติประเทศที่เป็นเมืองขึ้นก็จะถวายสัพพ ร, ราชสมบัติเป็นราชราอันอุดมสัพพ ร, ราชสมบัติได้จึงเป็นผลที่มาจากเขต ด, ดังกล่าวดังที่ได้กล่าวทีนี้ในด้านของอุปมาอุปมาอย่างนี้นะในทางพระธรรมเนี่ยพระบรมโธิสาตว์เจ้าของเราเนี่ย เมื่อเป็นสุเมธาดาบทหากมีความประสงค์จักบรรลุอรรตมรรมขยานในพุทธศาสนาของสมเด็จพระีปังกรสมมาทูเจ้านั้นจะได้โดยง่ายแต่เนื่องจากทรงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อสัตว์โลกจึงจะละพระนิพพานสุขอันอยู่ในเงื้อพระหัสนั้นเสียก็คือทิ้งไม่ยอมเอาพระนิพพานที่ตนเองจะได้ณนะเบื้องหน้าด้วยดาริว่า การที่เราจะเอาตนรอดจากสังสารทุกข์หรือจากสังสารวัตเพียงเ ด, เดียวอันนั้นไม่มีความกรุณาแกสัตว์โลกเป็นการไม่สมควรแกเราเลยนี่พระโพธิสัตว์ท่านคิดแบบนี้ถ้าเราสามารถจะข้ามพ้นจากโอคาสงสารได้แล้วเนี่ยก็จะยังสัตว์โลกทั้งปวงให้ข้ามพ้นไปด้วยท่านก็มองเห็นว่ากาโมคาโอค า, าคือการะโวคาโอคาคือพบ ทิฏโธค้าโอค้าคือมิจฉาทิฏฐิอวิชโชค้าโอค้าคืออวิชชาความมืดความหลงเนี่ยนะเป็นโทษท่านบอกว่าถ้าเราจะข้ามไปคนเดียวเนี่ยไม่มันเสียกรุณาใจฉะนั้นเราจะต้องมีกรุณาต่อบุคคลอื่นจะยังสัตว์อื่นให้ข้ามพ้นตามเราในอนาคตด้วยถึงแม้เราจะประสบความทุกข์เย็นตายสักปันใดจึงปรารถนาพุทธสมบัติ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือเอากำลังของอิทธิบาตทั้ง4ประการนั่นแหละคือฉันทาฉันทาในที่นี้ไม่ใช่ฉันทาอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่แต่เป็นกุศลฉันทาที่เป็นกตตุกมามิยตาฉันทาที่เป็นไปในกุศลกุศลฉันทาในการที่จะรักมีความรักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในบรมโพธิญาณ น, นั้น บรมโพธิยานคือต้องการได้บรมธรรมใช่ไหมบรมธรรมของพระผู้มีภาคเจ้าไม่ใช่ต้องการบรมธรรมของอัครสาวกหรือของมหาสาวกหรือสาวกธรรมดาหรือของพระปัจเจกุบเทเจ้าแต่ต้องการบรมธรรมของพระผู้มีภาคเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงต้องมีฉันทาประเภทกุศลและฉันทาที่เป็นกตตุกรรมยตาฉันทาดังที่ได้กล่าวเป็นฉันทาค่อนข้างที่มีกําลังอย่างแรงกล้า ถามว่าตรงนี้ได้อะไรเวลาเราศึกษาพุทธคุณเราได้เลเราจะได้ความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นปัใจจัยในการที่ทําให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยวิธีคิดวิธีที่จะเพียรพยายามในการที่จะเดินออกจากสังสารวัฏตามพระผู้มีภาคเจ้าประการต่อมาคือวิริยะวิริยะนั้นต้องเป็นระดับสัมมประธานหนความเพียรในอันที่จะขวัญขวายสร้างพระบารมีเนี่นะ เพื่อให้ได้บรมโพธิญาณนนะั้นไม่ใช่วิริยะแบบประเภทธรรมดาแล้วเพราะววริยะในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้วิริยะค่อนข้างเนี่มีกำลังและต่อเนื่องและยาวไกลมากประการที่สามคือจิตตะคือความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นในอันที่จะบาเพ็ญบารมีให้ได้บรมโพธิญาณดังที่ได้กล่าวประการสุดท้ายที่บอกว่ามิวิมังสาเนี่ย ปัญญาที่พิจารณารู้ว่ามีผลมากน้อยในการที่จะบาเพ็ญพระบารมีให้ได้พระโพธิญาณ น, นั้นเมื่อกำลังทั้ง10บทั้งสี่ประการนี้แล้วนะียพระองค์ก็เอาไปแสวงหาทรัพย์เอาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่เป็นอิทธิบาทที่เป็นอิทธิวัฏบาทนี่แหละที่เป็นคุณเครื่องให้สาเร็จอิทธิต่างๆเหาเนี่ยนะโดยการที่ใช้ชีวิตเนะี่ย ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเนะ่ยเอะเวลาเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเคยตั้งใจอย่างมุ่งมั่นไหมว่าจะไม่ให้บาปอากุศลธรรมมันแทรกใจเราเลยในขณะที่เราฟังธรรมถ้าเราตั้งใจอย่างมุ่งมั่นอย่างนั้นเนี่ยแสดงเห็นชัดว่ากําลังอิทธิบาทเราแข็งแรงนะแต่ถ้าหากว่ฟังธรรมแล้วจิตใจมันยังแบบประเภทที่เออละเหรเนี่ยนะประเภทที่บอกว่า ปล่อยให้กิเลสกินไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่พูดแต่ทีแรกบอกว่าไม่รู้บุญบาปเนี่ยนะอันนี้เสียหายนะนั่นต้องตั้งจิตให้แรงกล้ากันไว้ให้อยู่เหนืออะไรเห น, นือความวุ่นวุ่นและท้อถอยแม้กระทั่งการนั่งเนี่ยนะสังเกตด้วยที่เวลาจะมานั่งเนี่ยมาไม่เคยนั่งพิงหรอกเพราะรู้ว่านั่งพิงแอร์เย็นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วเอาไปไหน ก็มันสบายใช่ไหมเวลานั่งพิงปุ๊บเนี่ยมันแล้วยิ่งไปล็อกท่าให้มันหมอะไดยแล้วนี่ยิงหมดเลยนั่งตัวตรงๆก็ว้ <c ười> คือถ้าจะหลับก็อย่าให้เพื่อนข้างๆเขาลาคาญเนี่ยนะบางคนหลับไม่หลับเปล่ากล่น้วยเพื่อนก็ลาคาญก็ตรงนี้ก็ก็พูดแต่อย่างเราคงไม่เนะียเพราะเราตั้งใจมาฟังธรรมใช่ไหมใครเครคิดจากตีสี่ไมว่าตั้งใจจะมาหลับ ค <c oughs> งว่าอย่างนั้นเนาะคงตั้งใจมาฟังทำคงจะตั้งใจในการที่จะฟังทำบางคนที่จิตที่ตั้งมามันผิดแต่แรกแล้วเอามาต้องเป็นห่วงตรงนั้นเนะ่ยเป็นห่วงว่าจิตที่ตั้งเนี่ยจิตที่คิดมาบางคนชวนกันไปฟังทำกีได้ยินให้ไปฟังทำดิโอ้ยสบายที่นั่งสบายดีจังโอ้ยนั่งหลับเพลินดียังก็อันนี้ตั้งจิตมาผิดแต่ยี้นอนหลับที่บ้านเนี่ยดี ดั้เมื่อได้กําลังทั้ง10ประการทั้ง4ี่ประการนี้พระองค์ก็ไปแสวงหาทราบทราบในที่นั้นคือบุญกิเลยวัตถุสิบก็คือทานศีลภาวนาอภิจายณะเวียวัจจปฏิทานะปทานุโมทนะธรรมะสวรรธรรมเทศนาแล้วก็ทิฏฐิชุกรรมเนี่ยเอานี่อะไรเอาฉันท้าเวริยะจิตตาแล้วกัปัญญานี่แหละที่เป็นระดับอิทธิบาตเนี่ยไปแสวงหาไปแสวงหาบุญกิเลยวัตถุสิบ มีทานเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วก็มาบำรุงโยธาหานี่มีกำลังจัดเป็นสิบหมู่ทานเจตนาโยธาศีลเจตสีลเจตนาโยธาเนคขมะเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาวิริยเจตนาโยธาขันติเจตนาโยธาสัจจะเจตนาโยธาทิฏฐานะเจตนาโยธาเมตตาเจตนาโยธาอุเบคาเจตนาโยธาอยากให้ป่าปนกัน คือธาตุเจตนาอยาให้ปนกับศียและเจตนาศียและเจตนาอยาให้ปนกับเนคขมมะเจตนาโยธาจัดให้เป็นหมู่ๆเป็นปัจจัยแก่กันและกันทําไมจึงเรียกเจตนาทําไมจึงเรียกสีธาและธานุเจตนาโยธาทําไมต้องเรียกแบบนั้นพระตถาคตอาจารย์ท่านก็กที่ท่านจัดไว้อย่างเนี้ยคือเจตนาเนี่ยเป็นตัวจัดแจงปรุงแต่งใช่ไหม จัดแจงน่ยทานเนี่ยถ้ามีมีท้ายไม่มีตัวเจตนาในการจัดแจงแล้วทานไม่เข้มข้นนีศีลก็เหมือนกันเพราะว่าตัวเจตนาเป็นนามธรรมไอตัวเจตนาเป็นนามธรรมในการที่เขาจะทําให้ผัสสะทำกิจของผัสสะได้ผัสสะจะทํากิจในการกระทบอารมณ์เวทนาจะทํากิจในการสวยอารมณ์สัญญาจะทํากิจในการรู้รสของอารมณ์นี่นะสัญญาจะทํากิจในการจําอารมณ์ หรือเกีออย่ยนเรืปัญญาจะทํากิจในการไปรู้แจ้งในโรมเม็นตเนนะี่ยตัวเจตนานั่นแหละเป็นตัวจัดแจงสัมปยุทธธรรมคือธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนเองนะั้นน่ยให้ทําหน้าที่ของตอนเองได้อย่างมั่นคงฉะนั้นตัวเจตนาจึงสําคัญทีนี้พอเจตนาในการที่จะไปจัดแจงในการที่จะไปทําทานในเจตนานทานกุศลนั้นให้บริบูรณ์ตัวเจตนาก็จัดแจงนำ ม, มาทมทั้งหลายก่อน ในนามาทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับตนจัดแจงผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรีมนสิกานเป็นต้นจัดแจงวิญญาณขันเป็นต้นเหล่านี้สภาวธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับตนให้ทํากิจของตนทีนี้พอเจตนานนั้ตั้งมั่นเบ็ดเสร็จแล้วตัวธรรมะอื่นๆที่เกิดร่วมกันกับเจตนานั้นก็อนุกูลตามหรือคล้อยตามอนุโลมตามเจตนานั้นเข้าใจยังฉะนั้นเจตนาถ้าหากพูดถึงทานเจตนาแข็งแรง ศีลเจตนาเขาจะอย่างเงี้ยเขาจะจัดแจงเงี้ยพอพูดถึงในเรื่องของเนคขมมะเจตนาก็จัดแจงปัญญาเจตนาก็จัดแจงเนี้ยนะแต่ไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มของเนคขมมะอย่างเดียวปัญญาอย่างเดียวศีลอย่างเดียวเจตนาอย่างเดียวนะก็จะต้องมีสภาวธรรมนั้นมาจัดแจงให้สภาวธรรมเหล่านั้นมีความแข็งแรงและมั่นคงเข้มข้นยิง่งขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีตัวเจตนาในการจัดแจงปรุงแต่งเหล่าเนี้ย การบรรลุธรรมมีไม่ได้การบรรลุประโยชน์การเป็นผู้ไเจ้ามีไม่ได้ฉะนั้นระพุทธเจ้าจึงบำลุงโยธาหารที่มีกำลังให้เป็นสิบหมู่เห็นไมบำลุงทานาเจตนาศีลเจตนาโยธาต่างๆเหล่านี้ไปจนถึงอุเบกขาเจตนาโยธาเหล่านั้นจัดเป็นกองทัพเลยนะอย่าให้ปนกันนะนะแต่ละหมู่นั้นก็มีทหารเท่าไหร่ แต่ละหมู่นั้นก็มีทหารอยู่ยีสิบ้าก็เอาศัทธาสติฤณ์โอตปาอโลพาอะโทสะตัตธรรมชตตากายะปัสสติจิตตปัสสติกายระหูตาจิตตาระหูตากายกายะมุรุตาจิตามุธุตากายกรรมยตาจิตากามยตากายะปาคุญตาจิตตาปาคุญตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสัมมาวจาสมากำหนตา สัมมาชีวักรุณามุทิตาปัญญานณิชื่อว่าโสพระนเจตนาเจติกโยธาทียี่สิบห้ามู่เอายี่สิบห้าหมู่นะแต่ละหมู่ก็มีจุลโยธาแบ่งเป็นสิบสามเนืก็คือผัสสะเนี่ยผัสสะโยธาเวทนายโยธาสัญญาโยธาเจตนาโยธาออกขตาชีวิตินซียโยธาเนี่ยมนัสิการโยธาวิตกวิจารในทิโมกุริยาปีติฉันทายโยธาสิบสามน่ชิวาอัญญสมาณะเจติกโยธานี่สิบสามก็ไป เกิดร <inadvert> ่วมกันเนีเกี่ยวในเรื่องของทานนาเจตนาเป็นต้นเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปกระตุ้นนจะแข็งแรงไหมจะไม่แข็งแรงใช่ไหมทานไม่แข็งแรงเมื่อพระองค์บำรุงโยธาทั้งสามเหล่ามหาโยธาสิบหมู่มีมัชชิมโยธายี่สบห้าหมู่จุระโยธาสิบสามมหาโยธาสิบบารมีสิบนั่นเองมัชชิมโยธายี่สิบห้าโพนาเจสิกิห้าใช่ไหมแล้วก็จุระโยธาสิบสาม อัญเชสมาณาเจศศิษสิบสามบำลงเลี้ยงม้าอาชานานสิ้นสี่อสงขายยิ่งด้วยแสนมหากับเนี่ยก็ไอยบ่มเงฮะฉะนั้นในช่วงที่พระองค์เนี่ยบมเจริญบ่มบา ร, รมีมาตามลำดับนี่นะสิบหกอสงไขยมาเนี่ยแปลว่าบ่มนะเนี่ยนะบ่มอะไรดีบ่มเลี้ยงเลี้ยงม้าอย่างช้านาน ถ้าเลี้ยงแบบประเภทที่ไม่ได้แน่นอนเท่าไหร่เป็นอนเนตานี่ะ น, นะสิบหกสงไขถ้ามา บ, บ่มแบบช้านานแบบประเภทที่แบบนิยต่าเลยเนี่ยสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับบำรงเลี้ยงถึงขนาดกล้าหารบริบูรณ์แล้วก็ยกพวกพละทหารออกสู่ยุทธภูมิใต้ควงควงไม้โพธิ์ที่สีหมหาโพธิ์บรรลังอ่ะจนรบฆ่าศึกหมู่มารทั้งมารทั้งห้านะ กิเลสมารเทพุตรมารมัจจุมารอภิสังขารมารแล้วก็ขันธมารนั่นแหละคือการที่ยกเกี่ยวกับกองทัพทั้งมหาโยธามชิมโยธาและจุลโยธาในการที่จะห้ามหันกับอริราชเกี่ยวในเรื่องของมารทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ยตรงนี้เราท่านทั้งหลายก็ดูรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่าในกรณีที่พระผู้มีพระเจ้าทรงบําเพ็ญบารมีนี่นะ อย่างยาวนานเป็นไปตามลำดับที่ท่านกล่าวไว้เกี่ยวในเรื่องว่าขณะนั้นเราเป็นชาดินเรือสีได้สดับพุทธนามว่าพุทธโธอุปนโนอันนั้นแปลว่าไพะพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแหละปีติทั้งห้าก็เกิดขึ้นแก่เราเอาเราได้ยินคำว่าพุทธโธพุทธโธเนี่ยมันมีอะไรในใจัหย ถ้ามันไม่มีเลยสักนิดในใจเนี่ยท่านทั้งหลายต้องไปคิดแล้วนะว่ามันอะไรเกิดขึ้นในใจเราแล้วใช่ไหมพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าหากด้วยอํานาจพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเกิดบงปีติทั้งห้าด้วยอำนาจของศรัทธาประกอบด้วยญาณโสมนัสเนี่ยนะจึงคำนึงว่าการนี้ควรที่จะหว่านพืชคือผลขณะ น, นี้เป็นมงคลขณะบังเกิดมีอยู่ เห็หมท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านต้องการจะวานเมล็ดโพธิ์ในการที่จะฝังแน่นลงในกรมลสสนดานท่า น, นแล้วก็จะทําให้แตกงอออกต้นออกใบให้ชัดเจนเนี่ยเพราะท่านคิดว่านี้ไงวารานี้เป็นวาระเป็นการที่สมควรในการที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วแห่งโพธิ์แล้วในการอื่นอาจจะเพาะแบบประเภทที่ไม่แข็งแรงใช่ไหม แต่การนี้เป็นการที่สมควรที่สุดเหมือนเราท่านทั้งหลายเนี่ยการนี้เป็นการอุบัติเกิดขึ้นของพระบรมศาสดาแล้วการนี้เป็นการอุบัติเกิดขึ้นของพระธรรมแล้วการนี้เป็นการอุบัติขึ้นเกิดขึ้นของพระสงฆ์ตอนนี้พระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาก็กําลังกระจนกระจายไปทั่วอยู่แล้วแต่เราจะเอาพระธรรมพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดานั่นเนี่น้อมเข้ามาอย่างลงสู่กระแสขันทัดอายตนาของเราท่านทั้งหลายได้อย่างไรใช่ไหมจะได้เป็นตัวปุ๋ยตัวเชื้ออะไรต่างๆเน่ยเพราะเมล็ดพันธุ์ ของโพธิอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจริญเติบโตอะไรต่างๆนี่เราท่านทั้งหลายก็ฝังไว้เคยกลับไปดูมเมล็ดพันธุ์ไหมเป็นมเมล็ดพืชที่เนา่ายังต้องไปดูไปตรวจสอบใช่ไหมว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนี่ยก็ไปตรวจสอบไปพิจารณาไปไข่ควรตรงเนี้ยท่านสุเมธาดาบวชท่านเกิดศรัทธาปรารถนาไข่จะถวายเป็นพุทธบูชาดังที่ได้ท่านกล่าวไว้นั่นแหละท่านเนี่ย ใ, ให้สังเกตที่มาพูดครั้งที่แล้วเนี่ย เวลาที่ท่านได้หนทางที่ยากในการที่ชาวรัมมานาครเป็นต้นถวายให้ท่านและให้ท่านแผ่หางอ่ะเขาเห็นว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์มากแต่ท่านก็มาพิจารณาว่าโอ้โหเป็นบุญของท่านเหลือเกินที่ท่านได้นาที่ตรงนี้หลังจากนั้นท่านไม่เคยใช้อิทธิฤทธิ์เลยท่านใช้กำลังแขนกำลังขากำลังรากายของท่านทั้งหมดเลยในการที่ใช้หนังเสือเข้าไปปูเบดเส็จแล้วก็เก็บ นะะคุยดินขุดนั่นดินเนี่ยใส่ทกคําที่ท่านเก็บมเมล็ดหินมเมล็ดดินเข้าสู่หนังเสือในการที่จะขนไปเทที่ลุ่มลุ่มที่ขุกขระทั้งหลายท่านก็อุทานอยู่ตลอดเวลาพุทธโธพุทธโธตลอดเวลานะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทั้งปีติทั้งขุทักาปีติพารณาปีติเป็นต้นเลยนะอุเพิงคาปีติเนี่ย อกันติกาปีติเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไม่สางซาเลยขนลุกชูชันตลอดเวลานะนั้นท่านอุทานตลอดมาท่านเห็นความการประพฤติปฏิบัติดีของพระผู้มีพระเจ้าการตัดสู้ดีของพระเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมเนี่ยมันฝังแน่นในกำมลักขั น, นของท่านตลอดเวลานี้ฉะนั้นท่านก็อุทานตลอดเวลานี่ยในขณะนั้นน่ะปากอุทานออกมาท่านไม่ได้คิดถึงใครเลยนะท่านคิดถึงแต่พระผู้มีพระเจ้าท่านปราถนาเลย ใจท่านก็ น, น้อมในการที่อุทานพุทโธพุทโธอยู่เนืองนิดเปลืองหนังนิสีธนานะั่นนะออกผูกทําเป็นถุงกระกระทอหอ่อแล้วก็หามหิว้วขนซึ่งมูลดินมาถมหนะ้าที่ลาดลุ่มลึกเป็นเลนเหลวอยู่นั้นนะ่ะยังไม่ทันจะตลอดเหลืออยู่ยาวประมาณชั่วบุรุษหนึ่งนะทําตลอดเวลาเนะียทำทำเหลือประมาณชั่วบุรุษหนึ่งเลยตอนนั้นนะ่ยที่พระบรมศาสดาทีบางกรนะเน่ยเสด็จพร้อมได้ขีนาศบนะี่นะ พระสงฆ์สาวกขี่ศัพ บ, บริวารประมาณ4ี่แสนใกล้จะมาถึงเพียงสับเบลืออึง้งอืในโดยเทพสุราสุระคณานิกรเนี่ยประชาชนอเนกนั่นทำปุจจคันมนาการก็ต่างก็ถวายบังคมกันนะนะบางหมู่ก็ประโคมดุรยยางดนตรีแต ร, ต ร, ตรสังกังสาดานคล้องกองแล้วก็ดังถนั่นแซ่ซองสาธุการเอิกกระเริกด้วยโสมนัสทั้งมนุษย์และเทพเทวดาทั้งหลาย ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีกรปันนมมิได้คลายเคลื่อนก็บอกว่าต่างฝ่ายต่างก็นอบน้อมบูชาพระผู้มีภาคเจ้าผู้ดำเนินตามเสด็จพระพุทธรีลาฝูงเท พ, พ ย, ยดาก็โปรโยปลายทิพบุผามีดอกไม้ทิพมนทารบโกสมเป็นประธานลอยเลื่อนเกลื่อนเดือดรดาษไปทั่วที่สานุทิตณเบื้องบนณภาอากาศมูมนุษชาติก็ ยกขึ้นซึ่งสการะบูชาร้วนเครื่องหอมแห่ล่ห้อมร้อมจรารีตามเสด็จพระพุทธดำเนินมาบอกกันในการนั้นนะ่ะเราผู้เป็นฤาษีสุมเมษมหาสัตว์พระเจ้าเล่านะเรื่องนี้นะก็ทําอธิการอภินิหารอาธิฐาน อ, อุทิศชีวิตถวายแด่พระองค์ตรงเนี้ถ้ามพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าท่านก็ได้กล่าวแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นต้นแล้วก็บอกว่าถวายชีวิต นั่นแหละบริจาคชีวิตเป็นทานตนเองเป็นสัพพยูพวกข้ามพ้นแล้วจะยังสัตว์อื่นให้พ้นด้วยดังนี้เป็นต้นดังที่ได้กล่าวด้วยการที่ทําอธิการอภินิหารด้วยการแสดงปุริสภรณี้ของเราบอกว่าเราถึงแล้วซึ่งสัพพยุตยานตัดขาดวัตตาสงสารกําจัดพบทั้งสามและจจกขึ้นสถิตสัมเภาทองบรรเทาทุกสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวะบริษัทธทั้งปวงขนส่งให้รู้ล่วง ถึงฝั่งพันนพ า, านในครั้งนั้นน่ะทีปังกรโรโลกวิทูครั้งนั้นน่ะสมเด็จพระทีปังกรพระพุทธเจ้ารันเสด็จมาถึงสถิตอยู่ในเบื้องเสียรกล่าวแห่งเราแล้วก็ดำรัดว่าถ้าเราท่านทั้งหลายคล้วคลาดจากอมตะธรรมน่าสำนักของบรมโลกนาฏองค์นี้แล้วและท่องเที่ยวอยู่ในภพสงสารนานในนาคตจะมีการกำหนดเพียงพุทธศาสนาของพระดาบทนี้เหมือนหนึ่ง บุรุษอันไหว้ข้ามมหานาทีถึงจะคลาดเคลื่อนจากท่าน้าเหนือนี้แล้วไซก็คงจะขึ้นจากท้องก็หมายความนาทีได้นะท่าน้าต่าลงไปกว่านั้นเป็นแน่แท้ชั้นใดเมื่อเราทั้งหลายนี้แม้่อฆ่จากศาสนานี้แล้วคงจะได้สำเร็จในศาสนาของพุธทธางกูลเจ้าดาบทนี้เหมือนกันฉะนั้นเห็นไหมเป็นความหวังของประชาชนในยุคนั้น ประชาชนในยุคนั้นต่างก็มีความคิดใช่ไหมถ้าในปัจจุบันนภพนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ตัดสรุในาศาสนาของพระทีปังกรเราจะต้องได้ตัดสรู้ในาศาสนาของดาบวผู้นี้ที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าในอนาคตคํามั่นใจเพราะพระเจ้าตรัดหนึ่งไม่มีสองใช่ไหมก็เหมือนในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความมั่นใจใจกันหลายคนนะบอกว่าบางท่านบอกว่าไม่ได้ตัดสรุในาศาสนาของพระเจ้าองค์นี้นะแต่จะไปตัดสรุใน ศาสนาของพระศีเยเวไต่ใช่ไหมแต่บางท่านก็บอกว่าสงสัยไม่ทันด้แล้วแล้วจะทํำยังไงแต่ยังไงก็ยาวเลยแล้วจะวางแผนยังไงเอานักวางแผนทั้งหลายเนี่ยจะวางแผนเดินทางกันยังไงเนี่หรือมั่นใจไหมองนี้ทันไหมถ้าทันก็เอาให้ทันนะต้องถามก่อนว่าลมหายใจจะเหลือกี่วันจะขาดใช่ไหม เพราะลมหายใจมันเราเคยคุยกับมันตลอด บ, บ่อยๆไหมเราหายใจในที่มันหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยถ้ามันขาดเ ม, มื่อไหร่ก็แบบหมดโอกาสใช่ไหมแล้วมันมันเชื่อมต่อไม่ได้นี่สิว่าเราจะมาต่อใหม่เนี่ยว่าไปจะมารีบศึกษาพระธรรมอย่างจริงจจังๆเลยเนี่ยเคยอธิษฐานไหมบอกว่าเกิดใหม่ว่าจําความได้ให้คานเข้าวัดเลยต้องการมันจะคานเข้าไปที่อื่นมันจะไม่คานเข้าวัดเนี่ยนะ ให้จับแล้วจับไม่อยู่เลยมันจะดิ้นเข้าวัดตลอดเนี่ยนะจะไปเข้าวัดผิดอีกยุ่งอีกเลยลำบากเกินเลยนะถ้ามันติดมันมุ่งมั่นขนาดนั้นเนี่ยนะพอไปอยู่ในท้องแม่เนี่ยก็นั่งคิดตลอดเวลาเมื่อไหรจะครบสิบเดือนใช่ไหมพอออกมาสิบเดือนร้องคําแรกก็ร้องถึงวัดถึงพระถึงเจ้าอะไรก็พูดเยี้งเงี่ยนะสำคัญมันยังไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะควรจะไปพูดคําอื่นเลยโดยมากกระทบทรมานก็ลืมเนื้อลืมตัวหมดเนี่ย น้าข้าน้าข้าไปเจอวัตถุกรรมไป ม, มาล่อหน่อยแค่นั้นเขาเริ่มตั้งแต่เกิดใหม่ๆนี่เขาก็เอาของล่อเด็กแล้วเนี่ยเขามีอะไรไม่รู้อยู่กับเปรอะค่อยปั่นล่อนะาข้าวน้าข้าก็มีทั้งเกมมีทั้งอะไรไม่รู้ล่อไม่มีพระพุทธเจ้าเลยไ ม, ม่มีหน้าพระพุทธเจ้าให้ดูแต่เล็กเลยออเคยเห็นไหมแม่คนไหนพอลูกตั้งครรภ์แล้วเอาธรรมมาไปจ่อไว้ใกล้ท้องไม่มีหรอกเราไม่เจออยากเห็นไหมอยากจะเจอแม่แบบนั้นเน่ย แล้วมันเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็ดีใช่ไหมพอหลังจากถือปฏิสันธิในครรภของแม่แล้วเนี่ยสําคัญบุญเราก็น้อยเชื่อไหมถ้าบุญเราดีอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดในท้องใครเนี่ยด้วยอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยใจแม่เนี่ยต้องเป็นบุญตลอดเลยของเราไม่อย่างนั้นใช่ไหมเพราะเราก็เป็นคนจิตลายอยู่แล้วยังไม่ไปไปอยู่ใกล้เชิดใครเขาก็พลอยขี้โกรธไปด้วยกับเราที่ยุ่งเลยคนที่มักโลภเนี่ยไปอยู่ใกล้ใครเขาก็จะโลภด้วย ไม่ความโลภจะขันขันหนึ่งมันกระเทือนไปถึงขันหนึ่งได้วความโกรธจากอีกขันขันหนึ่งมันกระเทือนไปถึงอีกขันหนึ่งได้ต้องบางทีขนาดอยู่ตั้งไกลยังกระเทือนไปถึงกันได้ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยโอยอยู่ต่างประเทศโทร ถ, ถึงกันเลย <ing to> <world> <g iggle> ความโลภมันกะเทือนไปถึงนโน้นถึงต่างประเทศไม่ได้ถึงแค่ประเทศไทยอย่างเดียวเนีะฉะนั <ess> ้น <paced> เราก็จะเห็นกระแสของโลภะโทรศท์โมหาทุกวันนี้รุนแรงมากาามมารุนแรงถึงขนาด โ, โหสถานสะเทือนไปหมดอันนี้คืออะไรเนี่ย คือกลุ่มของโทรศสะทั้งหลายเนี่ยมันน่ากลัวมากฉะนั้นถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มั่นคงในคุณธรรมจริงๆเนี่ยให้สังเกตไม่ยากนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าคุณธรรมในใจดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ลองสังเกตในบ้านเราอะ่ะถ้าในบ้านนั้นโอโ้โหคนในบ้านก็มองกันได้จิตอันเป็นเมตตานะขนาดสัตว์เดราาัจฉานยังไม่กัดกันในบ้านได้ยังไงสมมติวคือเมตามันแผ่ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยนะ ถ้าถามจริงๆเค ย, เค ย, เคยแผยเมตตาให้กับคนในบ้านเราเทพยาดารักในบ้านตลอดถึงสรพพสา์ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านก่อนทุกวันไหมเนะีบางทีเราลืมได้ซ้าไปใช่ไหมเราลืมได้ซ้ำไปบางทียังแผ่เมตตาไม่เป็นได้ซ้าไปเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดตรงนี้นี่แหละที่ว่าพระทีปังกรพระเจ้าก็ตรัสพยากรเราด้วยประการชนี้แล้วก็เสด็จพาพระขี่นาศพเนี่ยแสน องค์เนี่ยรงข้อเนี่ยนะที่จริงว่าในคําสอนต่างๆตรงนี้ท่านก็กล่าวกันไว้หลายที่บางแห่งก็คือข้ามไปเนี่ยนะแล้วก็ทำประทักษ์ศีลทําประทักศีลเบีเสร็จก็กับูชาพระบรุตริศแล้วก็กจากไปทีนี้เราคงได้ตรัสรู้หลังจากที่รับพุทธบุตรเบีดเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเราคงจะได้ตรัสรู้เป็นพทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้ปฏิบุจดังสรรพสิ่งที่ มีไม้คอและก้อนดินเป็นต้นอันบุคคลทิ้งไปในอากาศก็คือโยนของหนักๆขึ้นไปบนอากาศแล้วเที่ยงแท้ในการที่จะตกลงสู่พื้นปฏิภูพีแม้ชั้นใดเพราะจพากนี้ของพระบรมศาสดาคือคำพูดของพระเจ้านั้นอ่ะเที่ยงแท้มีอาการเหมือนกันฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งพระพจนี้เที่ยงแท้เหมือนบารนธรรมของฝุ้งขุนสัตว์ทั้งปวงก็ ค, คือว่าสัตว์เกิดทั้งหลายที่มาเป็นรู ป, ปกายนามกายเป็นต้นเหล่านี้แล้วเน่ยเที่ยงแท้ยิ่งต้องถึงความตายทุกรูปทุกนาม ไม่มีเลยนะศสตร์ที่ปฏิสนธิแล้วไม่มีจุติฉะนั้นเมื่อมีปฏิสนธิแล้วการจุติก็มีได้แม้ฉันใดฉะนั้นคําพูดของพระบรมศาสดาก็ฉันนั้นเหมือนกันเ <c oughs> มื่อพูดบอกว่าท่านบู้นี้จะต้องตัดสรู้นุตราชัมมาสัมพธิญาาอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยจึงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเราจะไม่ได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยท่านมั่นใจตรงเนี้ยนะอีกอย่างหนึ่งพุทธพจน้เที่ยงแท้เหมือนกับดวงที่ภาค ก, ก่อน เทพมนทนอนุไทยในการเมื่อสิ้นราตีนี้เที่ยงฉันใดพระพุทธพจน์นี้ไซก็ย่อมเป็นธรรมที่เที่ยงแท้เหมือนกับเทีบทิพากรฉะนั้นก็เหมือนดวงอาทิตย์นะนะดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าขึ้นเราก็ตกไงนะอีกอย่างหนึ่งพุทธพจน์เนี้เที่ยงแท้เสมอด้วยพญาไกรสลาจารศิหราชอันอาจอ ง, งอาจก็คือออกจากถ้าที่เสียอศีหญาติแล้วเนี่ย ย่อมบรรลือสุรเสียงนนาาเป็นนิจจธรรมดาฉันใดเขาบอราชสีเนี่ยเวลาจะออกจากถ้ำก็จะต้องบรรลืออันนั้นเป็นธรรมชาติดยเขาว่าสัตว์ป่าทั้งหลายได้ยินเสียงพญาไกรสอราชสีเนี่ยโอ้โหพากันสะทุ่งตะเทือนหมดเลยนึงพุทธพจน์ตะกะถานิษฐ์ก็ย่อมมีการเป็นธรรมที่เที่ยงแท้ดุดการที่พญาไกรสอนราชสีชั้นนั้นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งพุทธพจน์ี้ี่สิทธิตเนี่ยมีอาการที่เที่ยงแท้เสมอด้วยการ ปรงลงซึ่งภาระของบุคคลผู้พาณิชย์อันนำมาซึ่งหน้าร้านตลาดเป็นธรรมดาของบุคคลผู้พาณิชย์อันหน้าร้านที่ขายสัพเพื่อถ้าเอาของไปแล้วนี่นะถึงท่าก็ต้องทิ้งต้องเทไว้เพะก็จะขนสินค้ามาวางไว้ในร้านรัขายต้องหาหิ้วขนของแบกทูลซึ่งภาระอันหนักหนาว่าถึงราวร้านของตนแล้วก็โปร่งภาระสินค้าคือจะแบกมาจนหนักแล้วมาถึงร้านแล้วไม่วางลงได้ชั้นใดใช่ไหม พุทธพจน์ก็เทียงแท้อย่างนั้นแล้วว่าท่านผู้นี้จะต้องตรัสรู้เป็นพระเจ้าท่านก็มั่นใจว่าเราต้องได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเนี่ยนะทีนี้บอกว่ า, วาถึงเราคงจะได้ตรัสอย่างเที่ยงแท้ดังนั้นแล้วก็เอาเถิดก็ควรที่เราจองจะต้องค้นหาพุทธการระธรรมให้แจ้งประจักษ์จริงแก่ใจก่อนทำอันที่จะรีรับซับซ้อนแทรกสิงสิง่งใดอยู่หนาเมื่อเราส่ะแสวงหา ตรองหาต่อไปแต่ในที่โน้นและที่นี้ในสถานที่ทั่วไปทั้ง1ิบทิศมีที่ตั้งแห่งธรรมเพียงไหนเราก็ได้หาไปจนถึงเพียงนั้นจึงได้ประสบธรรมเป็นปฐมก็คือทานบารมีเป็นต้นเนะ่เป็นมหาวิถีทางใหญ่ที่พระริยรเจ้าทั้งหลายผู้สนใจวิสิตธรรมมีผลอันได้เสด็จจรดลงดำเนินเป็นพุทธจารีตก็บอกว่าประเพณีของพระเจ้าทั้งหลายเนี่ย ลำดับแรกจริงๆท่านก็พิจารณาถึงทานบารมีของท่านนะพิจารณาตรงนี้ก็เรียกว่าดูบา ร, รมีของท่านตามลําดับเนาะบา ร, รมีทั้งหลายของท่านตามลําดับบอกว่ามันเป็นของแน่นอนน่ะสุเมธาดาบทท่ามก็พิจารณาเนะว่าพิจารณาถึงพุทธการกธรรมทานบารมีไงเป็นอันดับแรกในการพิจารณาทานบารมีเป็นอันดับแรกนั้นก็เพราะบอกว่า ที่พระโพธิสัตร์ทั้งหลายเก่าๆในการก่อนซ่องเศษเป็นประจำมาจึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุมเมธานับตั้งแต่นี้ไปท่านจงบำเพ็ญทานบาวรมีก่อนเหมือนอย่างว่าหม้อน้ำที่เขาคว่มปากลงย่อมหลังไหลออกไม่เหลือไม่นำน้ำกลับออกไปออกชั้นใดท่านก็พึงนะไม่พึงเสียดายทรัพย์ยศบุตรภรรยาและอวัยวะน้อยใหญ่เมื่อให้ทุกอย่างที่ยากจนต้องการนะบอกว่า ไม่เหลือไว้เลยแม้แต่ที่ที่ทั้งปวงนี้ท่านกำลังพิจารณาในรักหนดูก่อนสุมเมธะท่านพบยาจกที่เขาไปหาจงบำเพ็ญ ท, ทานบารมีทานบารมีด้วยการบริจาคทรัพย์ทั้งหมดของตนให้ไม่เหลืออุปบารมีด้วยการบริจาคอวัยว ะ, ป, ะาปารมัฐธบารมีด้วยการบริจาคชีวิตก็จักนั่งเป็นพระเจ้าที่โคนโพธิพึกดังนี้แล้วอธิษฐานทานบารมีไวใ้ให้มั่นเป็นอันดับแรก คำว่าที่ฐานแปลว่าท่านผูกตรงนี้ท่านผูกมั่นคงที่สุดเพราะการได้รับพุทธบัญเัติเสร็จแต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับใช่ไหมการผูกนะั้ฐานบา ร, รมีอาจจะกระท่อนกระแท่นนะอาจจะกระท่อนกระแท่นแต่พอได้รับพุทธพยากรตแล้วเนี่ยด้วยอำนาจของการที่ท่านมั่นใจขึ้นกับเก่าอีกอย่างมากมายท่านก็พิจารณาบา ร, รมีทํามเป็นอันปถม ก็เห็นจริยาวัดของพระโพธิสัตว์อันเก่าก่อนที่ท่านกระทำมาท่านก็นเห็นฐานบา ร, รมีเป็นอันดับแรกใช่ในการให้โดยไม่เหลือไม่ว่าจะเป็นยาจกวันิพกใดๆก็แล้วแต่ที่เขาขัดสนสูงไปก็คืออุปบา ร, รมีก็คือสลาวัยวะสูงสุดก็คือสลาชีวิตพอท่านได้ที่ฐานเบ็ดเสร็จอย่างนี้บอกว่าปรมัทบา ร, รมีด้การบริจาคชีวิต ก็าจาักนั่งเป็นพระเจ้าที่โค้นต้นโพธิพฤกษ์อย่างแน่นอนดังนี้แล้วท่านก็อธิษฐานเลยอธิษฐานผูกบา ร, รมีไว้ในตนเขน็นยังผูกเข้าไว้เลยมั่นคงเลยผูกทานนบา ร, รมีไว้ในตนผูกทานะอุปปารมีไว้ในตนผูกทานนะปรามัตถะบา ร, รมีไว้ในตนยังมั่นคงไหมมั่นคงเนี่ยเป็นอย่างนี้เราผูกทานบา ร, รมียังเอาแค่ทานบา ร, รมีเนี่ยผูกได้ยัง ผูกบางอย่างไม่ผูกบางอย่างใช่ไหมถ้าอุปปาล ะ, ะมีนะ้วโอ้โหใครใครบริจาเคเลือดเป็นประจํำไหมนี่นะเขาก็บริจาคไงปรมัตถบารมีก็ชีวิตลำดับนั้นสุมเมธาดาบุตใครควรยิ่งขึ้นไปก็ไม่ควรมีแต่พุทธกาลกระทเพียงเท่านี้ก็เห็นศีนะบารมีเป็นอันดับที่สองซึ่งผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ทั้งหลาย